เรื่องภิกษุณีหลายรูป6 8 9สมัยนั้นภิกษุณีจำนวนหลายรูปเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลได้เข้าไปสู่หมู่บ้านหนึ่งในตอนเย็นในบรรดาภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีรูปหนึ่งมีรูปงามน่าดูน่าชมชายคนหนึ่งพอได้เห็นก็มีจิตรักใคร่ภิกษุณีนั้นชายผู้นั้นเมื่อจัดที่นอนถวายภิกษุณีเหล่านั้น ได้จับที่นอนไว้เพื่อภิกษุณีรูปงามนั้นณส่วนข้างหนึ่งภิกษุณีนั้นรู้ทันว่าชายคนนี้ถูกราคะครอบงำถ้าเขามาหาตอนกลางคืนเราต้องเสียหายแน่จึงไปนอนที่จะกูลหนึ่งโดยไม่บอกภิกษุณีทั้งหลายครั้งนั้นชายผู้นั้นมาค้นหาพภิกษุณีนั้นพอดีไปถูกตัวภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีตื่นขึ้นมาไม่เห็นภิกษุณีจึง กล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุณีนั้นออกไปกับผู้ชายแล้วแน่นอนพรุ้นเมื่อผ่านราตรีนั้นภิกษุณีนั้นเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าเธอออกไปกับผู้ชายหรือภิกษุณีนั้นกล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ได้ออกไปกับผู้ชายแล้วบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบ บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตาหนิประนามโผนทนาว่าฉนันพภิกษุณีจึงออกไปอยู่ภากแรมในราตรีเพียงรูปเดียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นาเรื่องนี้ไป